เราสํารวมจิตบูชาเลยนะสงบจิตใจเราบูชาเลยเนี่ยเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะขับไล่อารมณ์ทั้งหมดออกไปนะเรื่องราวในอดีตเรื่องอะไรข้างนอกวางเอาไว้หมดทิ้งหมดปล่อยหมดเลยนะสํารวมจิตเราเข้ามาอย่างเดียวเลยตอนนี้เรากำลังบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย คุณของพระองค์ก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณก็คือสงบเยือกเย็นถึงที่สุดเลยซาบบริสุทธิ์หมดจดเลยนั่นแหละคุณของพระพุทธเจ้าแท้จริงเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันสูงสุดไม่มีอะไรเลยที่จิตของพระองค์จะไปยึดไปติดไปข้องเพราะรู้แจ้งแล้วชัดเจนแล้วไม่ได้มีอะไรเลยที่ควรจะไปลุ่มไปหลงไปยึดมั่นถือมั่น นี่เราก็สกํารวมจิตเราเข้ามาสลัดอารมณ์ทั้งหมดออกไปไม่เอาแล้วเราจะบูชาพระพุทธเจ้าจริงจงจัง จ, งจงัดูบ้างสิเรามาถึงที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าเพราะอาศัยพระเมตตาพระกัุณาที่คุณมหาการุณาที่คุณยิ่งใหญ่เราจึงได้มาถึงที่นี่ได้พระพุทธเจ้าประสูตรภพระวรากายตรงนี้ นั่นก็คือเป็นการเกิดขึ้นของผู้ที่มีจิตใจอาถรรพ์เข้มแข็งสร้างบา ร, รมีเพื่อที่จะรู้ความจริงสูงสุดให้ได้เรามาตรงนี้เราก็มาเกิดทางจิตใจใหม่เลยเกิดทางจิตใจใหม่คือยังไงเราจะเดินตามพระพุทธเจ้าไปในเมื่อผู้พุทธเจ้าตัดสู้อะไรความจริงสูงสุดที่พระองค์ทรงสร้างบา ร, รมีจนกระทั่งตัดสู้เอง ค้นพบด้วยพระองค์เองแล้วก็ประทานคำสอนเอาไว้ให้แล้วคราวนี้เรามาถึงที่นี่เรามาเกิดใหม่ทางจิตใจว่าจิตใจดวงนี้ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแน่นอนจะขอเดินตามทางของพระองค์จะพยายามค้นความจริงค้นคว้าความจริงทางจิตใจให้รู้ตามพระองค์ให้ได้นี่เรียกวาเราก็มาเกิดใหม่เกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ เกิดใหม่ทางจิตใจเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราจึงไม่เอาอะไรเข้ามาอีกแล้วเพราะเรามาเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวว่าพุทธเจ้าประสูตรตรงนี้เราก็เกิดสําหรับเราประสูตรไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นกษัตริย์เหมือนพระ อ, องค์เราก็ถือว่าเรามาเกิดใหม่อุบัติขึ้นใหม่ทางจิตวิญญาณทางจิตใจคือเราจะให้จิตของเราต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดของเราต่อไปนี้เราจะขอเดินตามทางของพระพุทธเจ้าไปให้ได้ แต่ละชาติแต่ละชาติเกิดมาก็เพื่อสแสวงหาความจริงบรรลุความจริงตามพระพุทธญาให้ได้เพราะไม่งั้นเราจะไม่รู้ความจริงเลยว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรกันแน่เราก็จะงวยเราก็จะหลงผิดไปไขว่คว้าเอาสิ่งทั้งหลายที่เราคิดว่าดีคนอื่นเขาว่าดี คนอื่นเขาสบลมสั่งสอนเราว่าสิ่งนั้นแหละดีเราจะเห็นดีตามไปแต่มาวันนี้เราเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้ามาจนถึงที่ประสูตรของพระองค์แล้วเราจะขอเกิดใหม่ทางจิตใจทางอุดมการทางอุดมคติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใครจะมีอุดมคติอย่างไงนั่นเป็นอุดมคติของเขา แต่อุดมคติของพระพุทธเจ้านั้นก็คือต้องรู้ความจริงให้ได้ตัดสรุปความจริงให้ได้พ้นทุกข์ให้ได้พ้นทุกข์ก็คือถึงผลิพานนั่นเองก็คือถึงผลิพานให้ได้ต้องไปถึงสภาวะอันหนึ่งที่จิตจะต้องไม่มีทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือเราสำรวมจิตเราเข้ามาไม่เอาเรื่องราวอะไรเข้ามาลบกวนจิตใจของเราอีกเราสำรวมจิตใจเราเข้ามา เรียกว่าเราสงบบูชาพระพุทธเจา้าเราส้ำรวมจิตใจบูชาพระพุทธเจา้าเราปล่อยเราวางเราทิ้งอารมณ์ทั้งหลายเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจา้าบูชาพระบริสุทธิ์ที่คุณนั่นก็คือชำระจิตเราให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้หมดจดสะอาดตามกําลังของเราหมดจุดตามกําลังของเราก็คือให้จิตเรากลับเข้ามากลับเข้ามาอยู่ภายในอารมณ์ข้างนอกมันก็เป็นเรื่องข้างนอกไป เพราะตอนนี้เราเข้ามาถึงที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วข้างหน้าของเราก็เป็นสถานที่ค้นพบว่าพระเจ้ามาประสูตริต ร, ตรงนี้แล้วข้างหน้านี้ก็มีสะโบกคลณีซึ่งเป็นล่องลอยที่ว่าเมื่อประสูติแล้วพระพุทธมารดาก็ลงมาสงสนารนล่างกายชำระล้างล่างกายอาบน้ำตรงนี้ก็มีล่องลอยให้เราเห็นอยู่ว่าอันนี้เป็นสถานที่ที่พระวรากายของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมา ภายใต้พระวรากายที่อุบัติขึ้นมานั้นมีจิตใจซึ่งเกิดมาปั๊บเนี่ยมันอัศจรรย์มากเพราะอุดมการอุดมคติหรือบาลมีของพระองค์นี่มันเต็มที่แล้วมันพร้อมแล้วที่จะตัดสู้ในชาตินี้ทำให้พระองค์นี่สามารถเปล่งอัศพิวาจาวาจาอันยิ่งใหญ่แสดงความยิ่งใหญ่พูดออกมาได้ว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกพูดออกมาสามประโยคเลิศที่สุดในโลกคือยังไงก็คือพระองค์จะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์แ่ะเป็นอิสระแล้วเหนืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกจะต้องไม่สามารถครอบงำพระไทยของพระองค์ได้จึงเลศิศเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยมันมีแต่เรื่องแต่ลาวเข้ามาครอบงำจิตอะเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางเนี่ย แค่เรามีชีวิตอยู่นี่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็เริ่มมีเรื่องมีราวมีเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเรื่องข่าวปลาอาหารเรื่องที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนที่ขับที่ทายเรื่องการเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องญาติหรือคนที่มาเกี่ยวข้องเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมีหมดเลยแต่พระองค์เลิศเลิศเขคือเป็นอิสระจากอารมณ์เหล่านี้ อารมณ์ทั้งหลายก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่มันไม่เข้ามาในจิตนั่นเดี๋มันจึงเลศิศเพราะว่ามันไม่เอาเรื่องข้างนอกเข้ามาทับถมจิตของตัวเองให้เป็นทุกข์อีกต่อไปเป็นพี่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือรู้ความจริงนี่แหละรู้ความจริงที่เลิศก็คือรู้ความจริงละว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนได้ละคนเราค็เกิดมาแล้วก็เพื่อที่จะแตกดับสลายไปเนี่ยจิตมันก็เลยวางวางเฉยอะคับอารมณ์ทั้งหลายเป็นอิสระเมื่อจิตเป็นอิสระไม่มีทุกข ก็คือไม่มีทุกข์ก็คือไม่เอาลมทั้งหลายมาบีบขันตัวเองให้เป็นทุกข์แล้วก็รู้ก่อนเพื่อนรู้ก่อนคนอื่นทั้งหลายจึงเราเป็นพี่ใหญ่เลยเชิดโถเชิดโถนี่พี่ใหญ่ถ้าไม่มีพรธเจ้าเราก็จะไม่มีทางเลยที่จะรู้ความจริงตรงนี้ได้เราก็จะเวียนเกิดเวียนตายเหมือนสัตว์ทั่วไปไม่ได้รู้อะไรเลยอย่างเมื่อกี้สุนัขตัวเล็กๆมันเดินเข้ามามันไม่รู้เรื่องอะไรหรอก คือมันมาตามกรรมแค่นั้นเองแล้วก็ไปตามกรรมเป็นภาวะที่มันต้องชดใช้กรรมเท่าเนี้ยสติปัญญาอะไรมากกว่านั้นมันไม่ได้แต่เรานี่มีสติปัญญาพอที่จะฟังความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงประทานเอาไว้ให้เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดก็คือนี่ะรู้ความจริงแล้ว ไอที่หลงเคยหลงว่ามีเราเราสําคัญเรายิ่งใหญ่เรานั่นเราเนี่ยมันได้เห็นด้วยพยานญานคือเอาจิตตัวเองกลับเข้ามาแล้ะกลับเข้ามาแล้วส่องเข้ามาข้างในเนี้ยเข้ามาข้างในเนี้ยพระองค์ก็เริ่มมียานเกิดขึ้นว่าโอ้เห็นพบชาติของตัวเองนี่เวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายยะแย่มากมาย อย่างบางคนอาจจะไม่ได้เห็นแบบนั้นก็ได้มันจะมียานชนิดหนึ่งเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็คือแสดงให้เห็นว่าเนี่แหละพบชาติมันเป็นอย่างนี้เองอาจจะไม่มีความรู้กว้างขวางจนกระทั่งเห็นว่าเออชาตินั้นเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะเราเป็นสาวกบารมีเราน้อยแต่ว่าสภาวะที่มันให้เห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็คือพบชาตินั่นแหละว่ามันเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตาย แล้วแล้วเล่าแล้วแล้วเราเล่าแล้วปัญญาเราเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้ปัญญามันถึงจะเริ่มพลุออกไปถึงข้างนอกบางทีมันแวบเดียวขึ้นมาในจิตนี้มันเหมือนกับว่าโอ้โหมันน่าอัศจรรย์มากเลยนะญาณที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามันรู้เลยอะว่าโอ้โหเราเวียนเกิดเวียนตายอย่างนี้ลุ่มหลงอยู่างเงี้ยมันกี่ภพกี่ชาติกี่กาปกี่กันแล้วทําไมเราจึงไม่รู้บ้างเลยเนี่ยมันโอ้โหมัน มันสะเทือนเข้าไปถึงจิตอ่ะมันเข้าไปในความรู้สึกอันนี้ก็หมายความว่าเราไม่ได้รู้เห็นว่าเออพบชาติเราชาตินั้นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นแต่ว่ามันสามารถสรุปได้ว่าโอ้การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันยาวนานมากเหลือเกินแล้วเราก็หลงบนเวียนอยู่ในวัฏฏุอันเนี้ยในสังสารวัฏนี้ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ทางออกของวัฏสงสารเราก็ยังวนเวียนอยู่อย่างนั้นละเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดก็คือเห็นล่ะ ว, ว่าโอ้เรานี่แค่เวียนว่ายตายเกิดเกิดเป็นนั่นเป็นนั่ น, เ ป, น, น, นเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นวา ย, ยาจกวันนี้พวกขอทานเคยเป็นสัตว์ในรกเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมไม่มีเลยที่จะไม่ได้มาเกิดเหมือนเราก็เหมือนกันแหละสรุปได้เลย ว่าเราก็ต้องเคยเกิดเคยตายกันมาทุกพทุกจัดเป็นแบบเดียวกันเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในวัตถุของศาสตร์อันนี้ยแต่ว่าเราจดจําไม่ได้ต่อมาพระเจ้าก็เห็นด้วยการเกิดตายของสัตว์โลกเนี่ยเกิดตายเกิดตายสัตว์ทั้งหลายเดี๋ยวเกิดตายเกิดตายเห็นการเกิดการตายของสัตว์โลกที่แรกก็เห็นพระองค์ก่อนว่าเกิดตายเกิดตายโอ้โหยาวนานมากแล้วก็มาเห็นการเกิดการตายของชาวโลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลาย จากนั้นจิตก็เบื่อหนายแล้วที่นี้ก็เริ่มมาเห็นความจริงแล้วว่าไม่ได้มีอะไรเลยแค่เกิดตายเกิดตายตัวเองก็เกิดตายสัตว์โลกก็เกิดตายไม่ได้มีอะไรเลยสิ่งที่พระตัสสรูน้น่ะก็แค่เกิดตายเกิดตายเพราะอํานาจขวังความหลงอะ่ะที่แรกมันก็เกิดเองเป็นธรรมชาติอะแต่ต่อมามันมีหลงว่าเป็นเราขึ้นมามีความหลงว่าเป็นเหล่าทิ้งมันเลยอ๊ยผลักดันพาเราเวีย็นไหวตายเกิดทีนี้ พาเราเป็นทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์เราเพราะหลงว่าเป็นเราแต่ละที่แรกก็เป็นธรรมชาติเฉยๆนะเหมือนอย่างร่างกายเราเนี่ยอุบัติขึ้นมาเนี่ยมันก็ดินน้ําลมไฟประกอบกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็สลายไปเราก็รู้นี่แต่ว่าถ้าจิตมันไม่เห็นตามนะมันปล่อยวางไม่ได้หรอกเราเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็กลัวกังวลหวั่นไหวแล้วถ้าเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมเรามีเจ็บป่วยไข้หรือว่าตาอย่างเงี้ยทั้งทั้งเรี่อ เราก็รู้ว่าเกิดแล้วมาแล้วไม่ตายไม่มีแต่เราอดที่จะเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ลาพึงลาพันไม่ได้อดควรไม่ได้ก็เพราะอะไรนี่แหละคือความหลงมีเราก็มีญาติของเราคนใกล้ชิดสนิทสนมเราคนที่เราลักไข่ห่วงใยเนี่ยมันก็มีความหลงอันนี้แหละที่มันขยายออกไปถ้าความรู้แจ้งจริงสามารถทะลุเข้ามาถึงจิตเร า, าอ๋อมันเป็นธรรมดาคนเกิดมาแล้วก็ต้องตาย อย่างเงี้ยมันก็วางใจได้สบายแล้วถ้ามันเห็นความจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยสร้างบา ร, รมีเพื่อที่จะรู้ความจริงแล้วก็เพื่อที่จะประ ก, กาศเปิดเผยความจริงอันนี้ให้ชาวโลกทั้งหลายได้รับรู้พอเมื่อบา ร, รมีมันเต็มที่แล้วพระองค์จึงสามารถเปล่งอสสพิวาจาได้วาจาที่ยิ่งใหญ่ว่าเรานี่แหละเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกก็คือรู้ความจริงนี่แหละมันเลิศก็คือคนที่รู้ความจริงเนี้ย ว่าไม่มีอะไรเลยไม่ว่ากายว่าจิตรูปธรรมนามธรรมาเป็นธรรมชาติหมดเลยแล้วพระองค์ก็สามารถปรัสรู้และเข้าถึงจริงด้วยผู้ที่ตัดสรู้หรือบรรลุตามพระพุทธเจา้าก็คือรู้ความจริงเหมือนกันหมายว่ามันจะไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปแล้วความรู้สึกว่าเป็นเรานี้จะดับไปจากจิตเลยมันเห็นชัดเจนแจม่มแจ้งจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงเป็นธรรมชาติล้วน เป็นเราโดยสมมุติชั่วคราวที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้นี่แหละที่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาทางพระวรกายแต่ว่าจิตใจนั้นมันยิ่งใหญ่เป็นจิตใจที่พร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตของพระองค์รู้ความจริงตัดสู้ความจริงพ้นจากทุก์ในวัตาสงสารแล้วก็จะประทานคําสอนเอาไว้ให้เวนยศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเวนยศัสตร์ละ เป็นผู้ที่มีทุ่ดีในดวงตาน้อยเป็นผู้มีสติปัญญาพอที่จะรองรับเอาธรรมะของพระเจ้าได้เราจึงมีโอกาสได้เดินตามรอยพระบาทของพระเจ้ามาเมื่อวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องทําจิตของเราให้ยิ่งใหญ่พร้อมที่จะเดินตามอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าแหละพระเจ้าอุบัติขึ้นมาที่นี่แล้วก็เริ่มต้นด้วยอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ว่าพระองค์นี่แหละจะต้องเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกละ ก็คือว่าจะต้องตัดสรุนแน่นอนล้ต้องรู้ความจริงให้ได้แล้วบางคนเรามันมีทุกข์เพราะอะไรกันแน่ต้องออกจากทุกข์ให้ได้แล้วต้องรู้ก่อนเพื่อนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ประเสริฐประเสริฐก็คือคนทุกข์แล้วก็สามารถประทานคําสอนเอาไว้ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วเรามาถึงเราก็เดินเดินจงกรมบูชาสํารวมจิตใจบูชาเลยเรียกว่าปฏิบัติบูบชา มันก็อย่างอื่นมันมันมันเล็กน้อยถ้าเทียบกับบูชาเนี่ยเพราะว่าเร า, เาจิตใจเราบูชาเนี่ยเอาเงินเอาทองอโนูน่นนี่มันของนอกกายนี่นะมันพอหาได้มันก็หยิบยื่นได้แต่การสมรวมจิตใจถ้าเราไม่ตั้งใจจริงไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสจริงจิตของเรามันไม่กลับเข้ามาอยู่กับตัวเราได้เราไม่สามารถที่จะเอาจิตมาปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้ นี่แสดงว่าจิตใจเราต้องเคารพต้องศรัทธาเลื่อมใสเต็มที่ต้องมีความนอบน้อมเต็มที่จิตของเรามันจริงกลับเข้ามาอยู่กับตัวเราแล้วเราก็ต้องมีปัญญาด้วยว่าอารมณ์ทั้งหลายอะ่ะมันเป็นแค่อารมณ์มันไม่ใช่จิตเรามันถึงจะดับได้เราถึงจะแก้จิตเราได้แล้วยิ่ปล่อยวางได้มันเป็นแค่อารมณ์มันเกิดชั่วคราวมันเกิดตรงเวลากระทบอารมณ์ตาเห็นบ้าง หูได้ยินบ้างจมูกได้กลิ่นบ้างลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสหรือจิตเรานึกอะไรขึ้นมาปั๊บมันก็เข้าไปกระทบจิตแล้วจิตก็เอามานึกมาปรุงมาแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวในจิตแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่ได้สำคัญไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่เราขณะที่เรากําลังหลงหรอกถ้าตอนมันหลงมันยิ่งใหญ่โอ้ยเหมือนเรื่องนั้นก็สําคัญเรื่องนี้ก็สําคัญคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้สําคัญไปหมดเลยกระทบกระเทือนถึงตัวตนของเรา ตัวตนของเราก็เจ hmm. ็บปวดทุกทรมานดูสิอํานาจอุปทานอํานาจอวิชชามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันทํำเราเป็นทุกข์ได้ยิ่งมันทุกข์ได้เพราะความหลงของเราเองไปให้ความสําคัญกับตัวตนอันนี้ก็เลยเมื่อมันสําคัญเรื่องตัวตนมันก็เลยกระทบอัตตากระทบตัวตนของเราเราก็เลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความหลงของตัวเองจะพูดให้ถึงใจหน่อยก็เป็นทุกข์เพราะความโง่ ของตัวเองทั้งโง่ด้วยหลงด้วยถ้าใครทุกข์มากก็เรียกว่าบลมมังงูนี่คือพูดให้มันถึงใจเลยนะถ้าพูดให้สะใจเต็มที่ยงโง่บัดซบเป็นทุกข์เมื่อไหร่โง่บัดซบเมื่อนั้นเพราะนั้นเราอย่าทุกข์สาวกของเจ้าต้องไม่ทุกข์ทุกข์แล้วก็คือโง่ก็คือหลงทุกข์มากขึ้นกับบลมมังงูทุกข์มากมากจนถึงขําควรวนน ปล่อยวางอารมณ์ซึ่งมันเพิ่งเกิดไม่ได้ปล่อยว่าของลมๆแ้ลลงๆไม่ได้เรียกว่าโง่บัดซพจมอยู่กับความทุกข์เพราะความหลงของจิตตัวเองสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเพราะนั้นอย่าให้ความทุกข์เข้ามาครอบงําจิตเราหรือถ้ามันยังทุกข์ได้อยู่ก็เอาไม่เป็นไรอะ่ะเราเป็นสาวกของพระเจ้า ก, ก็หาทางออกอย่าให้มันทุกข์มากอย่ถึงขั้นโง่บัดซเอะให้มันแค่ว่าเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อโงอพอหอมปากหอมคอ เพราะว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ยังมีความหลงอยู่มันก็ต้องโง่บ้างเพื่ออะไรเพื่อให้เราฉลาดขึ้นมาเพื่อเราเห็นทุกข์ว่าโอ้ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าความทุกข์จะต้องเข้ามาครอบงำจิตใจเราอย่างแน่นอนนี่ล่ละพอเรามาถึงเราจึงเริ่มเดินจงกรมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าข้างนอกเราเดินแต่ข้างในจิตของเราสํารวมเอาจิตเรากลับเข้ามาอยู่กับตัวเรา นี่เรีว่าปฏิบัติบูบชานะก็คือเราเพื่อระลึกถึงทางของพระพุทธเจ้านั่นเองเรียกว่าเรากําลังเดินตามทางพุทธเจ้าเรียกอริยมรรคมีองค์แการเดินทางจิตต้องเดินตามอริยมรรคมีองค์ 8. แปดเราจึงเดิน8รอบเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าจะบูชาคําสอนของพระเจ้าเป็นการกระตุ้นเตือนจิตของเราว่านี่นะเราจะปฏิบัติ ต, ตามพรุทธเจ้าก็คือจะเดินตามทางแห่งอริยมรรคมีองค์8 อายามากมึง8นี่ถ้าเทียบกับสติปัฏฐานสีล่ะการมีสติล่ะก็อันเดียวกันแต่อันนี้มันเป็นเริ่มต้นไงเริ่มต้นมักมันมั น, ม, นมันต้องอาศัยจิตที่มันมีกำลังแล้วมักยิงจะเข้าไปอยู่ในจิตแต่ถ้าเบื้องต้นมันจะ ต, ต้องมีสติซะก่อนเพราะนั้นเราจรึงสอนกันให้มีสติมีสติเพราะสติอันนี้มันจะควบคุมจิตแล้วให้จิตของเรากลับเข้ามาอยู่กับตัวเรา เมื่อจิตเข้ามาอยู่กับตัวเราแล้วเนี่ยสติอันนี้มันคุมจิตได้มันก็ทําให้จิตเป็นสมาธิเป็นสมาธิ ม, า hi, มีกําลังมากขึ้นก็มีสัมปชัญญะคือมีปัญญาทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มพูนขึ้นมาถ้ามีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะขึ้นมาเนี่ยทีนี้มันก็จะจิตมันก็จะวางอารมณ์ข้างนอกอารมณ์ข้างนอกมันไม่มารบกวนแล้วเพรา ะ, ะจิตเป็นสมาธิมันมาจดจ่ออยู่ข้างในเพราะนั้นพอจิตมันมันเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยมันจะวางอารมณ์ข้างนอก อารมณ์ข้างนอกเราก็เห็นได้ปัญญายาณมันก็เริ่มมีขึ้นมาอ๋ออารมณ์นี้มันก็แค่เกิดดับมันไม่ได้มีตัวตนจริงที่มีตัวตนมีอัตาก็คือว่าเรามีอุปาทานไปยึดเอาไว้ไปเกาะเกี่ยวเอาไว้ไปกอดไปรัดเอาไว้ก็คือไปโง่นั่นแหละไปโง่ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องราวมันดับไปเราไปยึดไปโยงเอาไว้เพราะความหลงว่าเป็นตัวเรานี่แหละ เราอยากเอาแต่ความสุขอยากจะเอาสิ่งที่ถูกใจไงพอมันไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจมันก็เลยเจ็บปวดมันก็เลยทุกข์ทรมานขึ้นมาก็มีความอยากนี่แหละพอมันมีความหลงมันก็อยากให้เรามีความสุขอยากให้ได้ดังใจของเรามีความอยากมันก็ออกหน้าถ้าเรามีสติเรารู้ทันเห็นอาการของพวกนี้โผล่ขึ้นมาเฉยๆมันโผล่ขึ้นมานะมันไม่ได้ไม่ได้มีตลอดเลยนะ อยู่ดีๆบางจังหวะเราเผลอเพลินอารมณ์อะไรที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันไม่ตรงกับความรู้สึกของเราไม่ตรงกับความอยากความต้องการของเราเนี่ยมันก็เลยละคายเคืองเกิดความละคายเคืองเพราะไม่ได้ดังใจของเราไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราอยากให้เป็นอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งนี่แหละลึกๆของมันตัวที่ออกโลงออกหน้าจริงๆน่ก็คือตัวตันหาตัวความอยากแต่เบื้องหลังของมันก็คือตัวหลงอวิชชา มันหลงว่ามีตัวเราเป็นตัวตนของเราเมื่อมีเรามันก็เลยมีความอยากให้เราเนี่ยเป็นสุขเรื่องราวอะไรผ่านมาก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตัวออกลงจริงๆก็คือตัวตัณหาตัวความอยากอะตัววิชาก็คือมันไม่รู้ความจริงหรอกว่าเออจริงๆแล้วเรานี่แค่อยู่ชั่วคราวเฉยๆนั่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วอยู่บนโลกใบนี้ก็ให้มันสบายๆ บ, บ้าง ไม่ต้องเอาเรื่องอะไรมาทับถมจิตให้มันเป็นทุกข์ให้มันเดือดร้อนให้มันทรมานมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยอเกิดมาแล้วมีเอาแต่ความทุกข์มาครอบงําจิตเนี่ยมันไม่ได้เรื่องในราวอะไรเลยเราเป็นสาวกของรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วเอาจะเดินตามพระองค์ไปทีนี้เราได้ช่องทางแล้วทีนี้ให้มันมีความหนักแน่นว่าต่อไปนี้ทางชีวิตของเรา ทางด้านใจของเราเนี่ยจะต้องเดินตามพระพุทธเจ้าไปข้างนอกควรทำอะไรก็ยังทำอยู่นะไม่ใช่ว่าปฏิเสธบางคนบอกเฮ้ยต้องเดินตามพุทธเจ้าคงไม่ทาอะไรเลยละมัง้งมีแต่สติรู้ตัวอยู่ปล่อยวางไม่ทาอะไรเลยปล่อยวางก็คือไม่ทำอะไรเลยปล่อยวางข้างในไม่เอาเรื่องอะไรมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์แต่ข้างนอกสมควรทำอะไรก็ยังทำอยู่ คนที่จิตใจมันเป็นสมาธิไม่มีอารมณ์ข้างนอกมาครอบงํามาปิดมากั้นมาขวางเนี่ยมันจะรุ่งจะปโปร่งมองอะไรมันจะทะลุทะลวงออกไปมันจะเข้าใจชีวิตเข้าใจคนที่มาเกี่ยวข้องเข้าใจโลกควรทํำยังไงควรเกี่ยวข้องกันยังไงชีวิตมันจริงจะมีคุณค่าขึ้นมาเกี่ยวข้องกันยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงจะเป็นไปด้วยดี มันไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีปัญหาเข้ามากุ้มลุงจิตใจนี่มันมองออกไปแบบนี้ก็คือตัวที่จิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมาครอบงำแล้วไม่มีอะไรมาปิดจิตมากั้นแล้วยกตัวอยา่างว่าเอายังเวลาเรามีอารมณ์ที่มันมีเรื่องราวค้างคาอยู่ในจิตใจมีคนว่าเราตุ๊บเขาว่าเราอย่างนั้นว่าเราอย่างเวลาเราจะทาอะไรปุ๊บนี่มันมันไม่ได้เลยนะเพราะว่าสติมัน มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไอ้จิตเนี่ยมันไปมันไปจดจําแต่เรื่องที่เขาว่าคําพูดที่เขาว่ามันเลยทําอะไรไม่ได้เลยสติปัญญาก็ออกไม่ได้การทําการทํางานอะไรก็ไม่ถนัดนะเพราะฉะนั้นคุณภาพของชีวิตเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นถ้าเราเดินตามทางของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะั้นการมีสติรักษาจิตจิตมันจึงเข้ามาอยู่ข้างในเข้ามาอยู่ข้างในแล้วก็มันมาจดจ่ออ ย, อยู่ข้างใน หรือมีสติอยู่ในการฟังอย่างนี้เรื่องอื่นก็ไม่เข้ามาจิตเราก็สบายค่อยๆสบายขึ้นสบายขึ้นไอ่อดีตน่ยมันการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็เคยทํามาหมดทั้งดีไม่ดีอะไรก็ช่างเราเคยทํามาหมดเราก็ต้องทิ้งเลยปล่อยเลยวางเลยเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่แล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละแต่ก็เคยเวียนเกิดเวียนตายเหมือนกันอ่ะแต่ต่อมาพระองค์เห็นทุกโทษแล้วพระองค์ก็ตั้งปณิธานเพื่อที่จะบรรลุตามพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะตัดสรู้ด้วยพระองค์เองอ่ะ เพื่อที่จะตัดสรู้ความจริงในวันที่พระ อ, องค์ได้รับพยากรณ์เนี่ยพระองค์ก็เคยเกิดเป็นฤาษีเป็นดาบทในชาตินั้นในสมัยนั้นพระตีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังเสด็จไปยังเมืองเมืองหนึง่งชาวบ้านเขาก็มาทําทางเดินทําทางเดินเพื่อให้พระพุทธเจ้าชื่อว่าพัติปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นฤาษีเป็นดาบทเหาะไปในอากาศ เย็นแล้วมองลงมาเห็นชาวเมืองเขาชาวบ้านเขากําลังทํางานอยู่แต่ว่าทํางานแต่ว่าทําด้วยความยิ้มแยม้มแจ่มใสรื่นเริงบันเทิงเบิกบานก็อศัศจรรย์ใจก็เลยลงมาแล้วก็มาถามว่าพวกท่านทําอะไรทําไมจึงมีความปีติความรื่นเริงบันเทิงเบิกบานขนาดเนี้ยชาวบ้านเขาบอกเอาท่านไม่รู้เหรือว่าทัตีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมานี่เราทําทางนี่ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ย เลยนิดหน่อยนี่โอ้ท่าอย่า ง, งานั้นข้าพเจ้าขอทําเองขอทําด้วยตัวเองเลยเหลืออยู่นิดหน่อยนี่ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบพวกท่านอะทำมาทั้งวันแล้วพักกันเถอะชาวบ้านเขาก็เอาชื่นชมยินดีอ้าวก็ยกไห้พระพุทธเจา้าของเราก็ทําด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะพวกที่สัตว์เนี่ยก็ต้องสร้างความดีโดยเฉพาะเป็นทางเดินของพระพุทธเจา้าพร้อมกับสาวกเสด็จไปก็ทําด้วยความเต็มอกเต็มใจทําด้วยความพอใจด้วยความสตาร์เรื่อมใสเนี่ยแต่ทีนี้ พระพุทธเจ้าก็เริ่มเสด็จมาใกล้เข้ามาเรื่อยๆพอใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยอย่างอื่นเสร็จหมดแล้วเหลือแต่ลำฐานห้วยห้วยเป็นโคลนตมทําไม่ทันแล้วจะเอาอะไรมาถมก็ไม่ทันแล้วแก้ปัญหาไม่ทันแล้วตัวเองก็รับผิดชอบหมดแล้วตัดสินใจคว่มหน้าลงไปวันนี้เราจะมาให้พระบาทของพระพุทธเจ้าพร้อมกับสาวกแปเปื้อนโคลนตมขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบไปบนหลังของเราไปเราขอสละชีวิตของเรา ถวายแด่พระพุทธเจา้าความน่าปุ๊บลงไปตัดสินใจเด็ดขาดสละชีวิตแล้วจิตมันมีกําลังมากไอ้คนที่เสียสละเนี่ยมันเด็ดขาดรู้ทันทีเลยกําลังจิตของตัวเองถุงละ่ะถ้าเราต้องการบรรลุธรรมในวันนี้บรรลุได้ดูซิมันเสียสละได้ทุกอย่างแล้วมันรู้กําลังจิตของตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนี่เราก็ต้องมีความเข้มแข็งต้องให้มันเข้มแข็งในสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีต้องเข้มแข็งที่จะละมันตัดมันปล่อยมันวางมันทิ้งมันมันจะทําให้จิตเราเข้มแข็งเพราะเราสละอารมณ์ทั้งหลายได้แล้วก็มีเป้าหมายเด็ดเดียวว่าเราจะต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจิตจะเข้มแข็งมีกําลังถ้าจิตมีกําลังอารมณ์ทั้งหลายมันจะไม่เข้ามาในจิตเราที่อารมณ์ทั้งหลายมาครอบงําจิตเราได้เพราะจิตเราอ่อนแอเองอ่อนแอยึดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องจุกจุกจีกจกีเอามาเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยถ้าจิตเข้มแข็งไม่เอาแล้ว คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเขาก็ตายเราก็ตายไม่มีอะไรอารมณ์ทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปมันไม่ได้มีอะไรถ้าเราไม่ยึดมันเดี๋ยวมันดับเองยิ่งมายึดปับ๊บมันยิ่งดับเร็วไม่ยึดยิ่งดับเร็วอย่าไปอะไรมันบางคนนี่พอเขาว่าเรานี่ก็อะไรนะอยากจะคิดทบทวนอยู่เรื่อยเขาว่าเรายังโน่นว่าเราอย่างงี้ทบทวนไปก็ทุกไปเศร้ามองไปขุนมัวไปน้อยเนื้อต่ําใจไปขุนเครื่องไปพยาบาทไปโกดเครื่องไป คิดไม่ดีไปดูสิมันทําร้ายตัวเองแบบเนี้ยเด็ดขาด ล, ลงไปเลยไม่เอาแล้วเขาว่าเราเหรอก็ปากเขานี่นะแขนเราไม่ได้ขาดขาเราไม่ได้ขาดดีแล้วเราจะได้เข้มแข็งขึ้นมาปากก็ปากของเราทานข้าวเราก็ทานด้วยตัวเราเองท้องกับท้องเราอ่านเราทานาแล้วเราก็อิ่มไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาง่ายเลยที่นี่หรือเอาเราเคยว่าเขามาเอาเขาว่าคือดีแล้วจะได้ใช้กรรมมันยังได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีหนึง กับคนค น, นี้จะได้หมดกรรมหมดเวรกันซะพอกันแล้วกรรมเวรในวัตาสงสารอันนี้เราจะขอปฏิบัติตามพระเจ้าบรรลุตามพระเจ้า้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามพรทเทเจ้าไปก็ยิ่งดีได้ใช้กรรมใช้เวร น, นะไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันหรือเออเราก็ยังว่าเขาคนอื่นเรายังพูดถึงคนอื่นเลยในทางไม่ดีก็มีแล้วเขาพูดถึงเราบ้างอะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นะเวลาเราพูดถึงคนอื่นเราก็พูดถึงเขาไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็สบายสบาย พูดแล้วเราไม่ได้คิดอะไรมากถ้าเขาคิดเองเขาไปเจ็บปวดทุกเองกับเรื่องของเขาไปคราวนี้เรื่องเราว้งสิที่นี่เขาก็พูดสบายๆเหมือนกันแหละเขาก็ไม่ได้มีอะไรบางทีมันบรรยากาศมันให้เหตุการณ์มันผ่านเข้ามาพอดีพูดกันไปอะไรกันไปเราก็อย่ารับเข้าไปคล้ายๆถ้าปัญญามันถึงแล้วมันไม่คิดให้เป็นทุกข์ได้เลยนี่จริงไม่โง่มันไม่โง่แล้วมันฉลาดแล้วจิตเนี่ยถ้าจิตฉลาดมันจะไม่คิดอะไรเลยที่จะทําให้เป็นทุกข์ มันมีแต่คิดคลายออกอย่างเดียวคิดเพื่อออกจากทุกข์อย่างเดียวคิดเป็นอย่างเดียวคือออกจากทุกข์พูดง่ายๆว่าจิตดวงนี้มันทุกขไม่ได้เลยมันไม่ยอมให้ตัวเองเป็นทุกข์เด็ดขาดเลยมันเป็นธรรมชาติของมันนี่แหละคือทางของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เลยถ้าไปถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนแล้วเนี่ยจิตที่ถึงธรรมบรรลุธรรมเนี่ยมันจะไม่ทุกข์อีกมันจะไม่คิดให้ตัวเองเป็นทุกข์เด็ดขาดนั่นคือปัญญามันจะรอบของมันเอง ไม่ว่ามันจะคิดต้องคิดให้ตัวเองไม่มีทุกข์เด็ดขาดเลยคิดเป็นทุกข์ไม่เป็นเลยมันทํานท่าจะคิดมันไม่เอาแล้วนั่นคือมันหายโง่ไงง่ายหลงแล้วก็รู้ได้ว่าเอออันนี้มันดีจริงมันประเสริฐ จ, จริงมันมีความสุขจริงมันก็อดไม่ได้ที่จะอยากจะแนะนําคนอื่นอยากช่วยเหลือคนอื่นเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์จริงทรงสละตลอดพระชนชีพของพระองค์ออกเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้า พอพระองค์ก็รู้แล้วว่าต้องมีผู้ที่สามารถรู้ธรรมะของพระองค์ได้สามารถปฏิบัติตามพระองค์ได้เหมือนพวกเราเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนถ้าเราไม่มีบุญไม่มีบา ร, รมีนะไม่สามารถเดินทางมาถึงขนาดนี้ได้นะเพราะฉะนั้นต้องไม่ดูถูกตัวเองแล้วไม่ประมาทตัวเองแล้วเราเป็นสาวกของพระเจ้าเต็มตัวแล้วยิ่งมาที่นี่ตั้งปณิธานเลยจะต้องเดินตามทางของพระเจ้าให้ได้พระเจ้าก็ประสูตมตรงนี้เลย เราก็มาถึงตรงนี้เราก็เรียกว่าเกิดทางจิตวิญญาณเกิดใหม่เนี่ยผู้เจ้าก็ยังเปล่งวาจาได้ว่าพราะองค์ต้องเลิศที่สุดในโลกแหละเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกก็คือต้องนีหละตัดสลูแล้วก็ไม่มีทุกนี่เองแล้วก็สามารถประทานคําสอนเอาไว้ให้สาวก ข, ของผมได้หรือสัตว์โลกทั้งหลายได้ เ, เราไม่ใช่พี่ใหญ่เพราะว่าพี่ใหญ่ก็คือผู้เจ้าองค์เดียวแล้วก็คือน้องน้องรองรองรองรองลงมาถ้าเราปฏิบัติตามผู้เจ้าเราก็ต้องประเสริฐ ข, ขึ้นมาจนได้ประเสริฐก็คือไม่มีทุกขนั่นเองออกจากทุกได้ แล้วเราก็มานั่งปฏิบัติบูบชาที่นี่เดินจงกรมแล้วทางแห่งยย อ, อยิมมัคยิมมัคคือยังไงอ่ะก็ต้องได้พูดถึงบ้างเนี่ยสามมาที่ที่คืออะไรก็คือว่ารู้ความจริงว่ามันไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่รู้ความจริงก็คือว่าเห็นว่าไอธรรา้ธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยภรรายนอกก็ตามแล้วก็เข้ามาภายในเรล่านี้มันเป็นแค่ธรรมชาติเฉยเฉยอะ่ะมันไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราขเขาอะไรหรอกมันเป็นแค่ธรรมชาติ แต่เราไม่เห็นความจริงตรงนี้เราก็เลยต้องมาทําสติทําสมาธิขึ้นมาเพื่อให้จิตเรากลับเข้ามาอยู่ข้างในเพื่อให้มันส่องเข้ามาเห็นกายเห็นใจเราสมาธิดีที่แท้จริงก็คือเห็นว่าไอ้ภาวะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาในขณะที่จิตเราเป็นสมาธิอยู่เนี่ยคือสมาธิต้องตื่นด้วยนะต้องตื่นด้วยตื่นรู้ด้วยนะรู้รอบตื่นรู้รอบเพราะนั้นถ้าจิตของใครมันมีสติดีใจตั้งมัน่น ใจตั้งมั่นเป็นกลางนี่เลยคือทางสายกลางมันพร้อมโดยยามคมีองแปดก็คือว่าสามาทิติถิมันจะเห็นว่าเกิดและดับ <c oughs> เกิดและดับเกิดและดับความเกิดแล้วดับนี่เป็นภาวะที่มันไม่ให้เรายุดติดข้องอะไรได้เลยตัวนี้เขาเป็นยานชนิดหนึ่งเขาเรียกปัญญาญาณหรือวิปัสนาญาณก็คือเห็นความเกิดดับคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา บางทีมันก็นิ่งอยู่เฉยๆแต่มันรู้สึกได้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทีแรกมันก็เกิดดับบ้างแล้วมันก็นิ่งสงบลงไปแต่ความรู้มันเกิดขึ้นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรานี่นี่คือความจริงมันจะปรากฏขึ้นในจิตของเราถ้าเห็นความจริงอย่างนี้อวิชามันก็เกิดไม่ได้วิชามันก็เกิดขึ้นไอภาวะที่มันเกิดดับภาวะที่มันทรงตัวอยู่ตามธรรมชาติอันนี้เขาเรียกสภาวะทุกข์ เห็นทุกข์ก็คือเห็นว่ามันไม่มีเราอ่ะเห็นว่ามันอยู่ตามธรรมชาติของมันอ่ะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนอ่ะหรือว่ามันมีทุกข์จริงๆก็ได้ด้วยคือมันเจ็บอ่ะอย่างเรานั่งนานมันเจ็บอ่ะเราก็เห็นว่าความเจ็บนี้อยู่ตามธรรมชาติของมันนี่ก็เห็นสภาวะทุกข์เหมือนกันหรือความบีบคั้นมันอาจจะมาบีบขั้นมันกระทบกระเทือนเข้าไปหาจิตเราเราเห็นอาการทุกข์ในจิตอีกเดี๋ยวมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นเห็นทุกข์นี่ก็คือเห็นความเกิดดับ ของสภาวธรรมทั้งหลายว่ามันไม่ได้มีอยู่ตลอดไปหรอกมันแค่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเพราะนั้นจิตต้องมีกำลังมากสติต้องดีสมาธิต้องแน่วแน่ต้องเป็นกลางจริงจนกระทั่งขจัดความยินดียินร้ายได้รักษาจิตตัวเองได้ไม่หลงยินดียินร้ายมันจึงจะเห็นความเกิดความดับเกิดดับแล้วก็ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นนี่จึงว่าเห็นทุกที่แท้จริง เพราะในที File, that that ่ว like the ่าอวิชามันจะดับได้มันต้องเห็นทุกอย่างแท้จริงเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งเห็นทุกก็คือเห็นว่าไม่มีเราไม่มีของเราเห็นสภาวะที่ไม่ว่างเปล่าจากตัวจากตนถึงมันจะมีความบีบคั้นขึ้นมาก็บีบคั้นก็เป็นเรื่องของสภาวะธรรมเฉยๆมันไม่ใช่เราเราไม่ไปเอาเราเข้าไปไปมีอุปทานไปยึดไปรุ่มไปหลงว่ามันเป็นเรานี่แหละจึงว่าอวิชามันเกิดไม่ได้ถ้ามันเห็นทุกชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วตัณหามันก็ไม่เกิดที่นี่ เห็นทุกชัดเจนนี่คือมีวิชาเกิดขึ้นเห็นทุกชัดเจนแล้วเห็นว่าไม่มีเราไม่มีของเราแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เรามีความสุขก็ไม่มีอ่ะมันก็เห็นแค่เวทนาทุกก็เป็นทุกขเวทนานั่งนานเจ็บปวดก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาทางกายเอย่มันเจ็บมานี่เราเฉยก็ได้ทําจิตเฉยๆทาใจเข้มแข็งมองดูมันโอ้เห็นชัดเจนเลยเนี่ย เวทนาขันก็เห็นด้วยนี่นี่ญาติจะดูขันนะเป็นเวทนาขันหรือเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็อันเดียวกันนี่แหละเวทนาขันตัวที่ไปรู้ก็คือวิญญาณขันแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเออขันห้ามันคือยังไงจริงนี่แหละที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของขันห้าทํางานร่างกายก็รูปปขันนั่งนานมันเจ็บมันปวดขึ้นมาก็เวทนาขันก็เรื่องของขันกองแห่งรูปกองแห่งเวทนาร่างกายก็ดินน้ําลมไฟเรานั่งนานดินน้าลมไฟเดินทางไม่สะดวก มันเกิดความขัดข้องขึ้นมามันก็ทําให้เราเจ็บเราปวดหรือว่าเป็นไข้เป็นอะไรขึ้นมาก็นี่แหละธาตุในร่างกายเรานี่แหละเพราะว่ามันไม่สมดุลแล้วมันเกิดความขัดข้องขึ้นมาแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาก็เป็นเวทนาขันกองแห่งเวทนาไม่ได้มีอะไรมันเกิดตามธรรมชาติของมันตัววิ ญ, ญญาณก็คือตัวจิตเรามันก็ไปรู้เวรรัไมไปรู้าราอารมณ์เขาเรียกวิญ ญ, ญาณขันแล้วเรารู้สึกขึ้นมากระวนกระวายขึ้นมาก็เอามาเป็นเวทนาทางจิตแล้วทีนี้ เป็นทุกทางจิตล่ะเวทนาขันก็อยู่ในจิตด้วยอยู่ทางกายก็มีอยู่ทางจิตก็มีมันไปจําเมาสินี่มันไปจำเมาเราเจ็บเราปวดเราทุกข์มันก็ยิ่งบีบคั้นจิตเราแต่ถ้าหาว่าเราไม่มีเราไม่มีเราแล้วสัญญาเราไปจําว่ามันไม่ได้มีเราเนี่ยมันก็ปล่อยมันก็วางมันก็ทิ้งไปมันก็ต้องล้างสัญญาผิดผิดล้างความเห็นผิดผิดจริงว่ามันมีสัมมาทิฏฐิเพราะมันเห็นความจริง เพราะนั ue, ้นสมาธิจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นวิปัสนาสมาธิิสมาธิที่เห็นแจ้งเห็นชัดเจนเห็นบ่อยๆด้วยจนกระทั่งมันเป็นโลกุตละสมาธิิเป็นความเห็นแนวโลกุตละความจริงตามแนวโลกุตละจนทั่งบราลูมักก็เป็นโลกุตละสมาธิิเพราะฉะนั้นสมาธิิมักจริงๆมันต้องมาปฏิบัติแล้วเห็นชัดเจนแจ้แจ้งอยู่ในจิตเอาแค่เอาจิตสงบหรือว่าเราเอาจิตเราสงบเข้ามานะ จากนั้นเอาจิตมองดูร่างกายไปสัมผัสที่กายไอตัวจิตเนี่ยมันมันเป็นตัวที่ไปรู้อารมณ์ร่างกายก็นั่งอยู่มันนั่งอยู่ข้างมันน่ะไอตัวจิตที่ไปรู้อารมณ์ก็เป็นจิตกายกับจิตก็แยกกันแล้วรูปธรรมาำนำมามธรรมแยกกันมีเวทนาก็อยู่ที่ร่างกายมันก็ไม่ใช่จิตจิตก็ดูอยู่อันนี้มองดูกายเวทนาจิตถ้าเราเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราก็ทำมะ นี่แหละกายานุปัสนาสิทานเวทนานุปัสนาสิทธานจิตานุปัสนาสิฐานธรรมานุปัสนาสิทานก็อยู่ในตัวเรานี้เองนี่คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองถ้ามองในรูปของขันห้าก็อย่างที่ว่านึ่ก็รู ป, ปรขันร่างกายก็รูปประขันเสียเวทนาเวทนาขันเสียพวกนามธรรมาสัญญาขันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็สังขารละขันตัวที่ไปรู้อารมณ์ทั้งหลายนีย่ก็คือวิญญาณขันถ้ามันวางขันห้าได้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเองอย่างเนี้ยนี่แหละสมาธิฏฐิ ความเห็นถูกต้องเลยไม่มีอะไรเป็นเราเลยมันติดก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เฉยๆมองดูร่างกายถ้เห็นว่ามันทุกข์ก็ทุกข์อยู่มันเจ็บมันปวดก็มันก้อนทุกข์กองทุกข์มันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เราถ้าอย่างนี้นี่สัมมาทิฏฐิแล้วถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เกิดมันไม่ยึดอะไรแล้วทีนี้มันจะปล่อยของมันอย่างเดียวละสัมมาสังกัปปะพยาบาทมามันไม่เอาเด็ดขาดทิ้งเลยโกรธมาไม่เอาทิ้งเลย ความคิดที่จะไปทําร้ายทําลายคนอื่นทิ้งเลยจะเอาของคนนั้นคนนี้ทิ้งหมดมีสมาธิาก็เกิดถ้ามันมีสมาธิ ท, ทีทางจิตใจมัก็สํารวมเองอ่ะคําพูดคําจามสํารวมอันไหนมีประโยชน์ยิ่งจิตมันเข้ามาอยู่ข้างในแล้วมันไปเสียเวลาไปคิดนึกปรุงแต่งมามาพูดทําไมอย่าไปสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเพื่ออะไรกันมันลึกซึ้งเข้ามาที่จิตมันสํารวมเข้ามาที่จิตถ้ า, าว่าจิตของเรามันไม่ลึกซึ้งเข้ามามันก็มีเรา ก็ทําเพื่อนเราทําอย่างนี้เราดีเราดูดีเร า, เรามีความสําคัญเราใหญ่เร า, เราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันไม่ลึกซึ้งเข้ามาไงมันไม่เห็นความจริงนี่แหละเขาเลยเอาวิชาอาวิชามันเล ย, ยาบแต่ตัวเองไม่รู้แต่คนที่เขารู้นี่มันยั่งเข้ามาข้างในเห็นโอ้อาการอย่างนี้อวิชาหลงมีตัวตนตัวตนมันแสดงอาการออกมาเพราะความหลงแต่เขาไม่รู้เขาหลงเขาก็ดูว่ามันยิ่งใหญ่มันสําคัญ มีนูน่นมีนี่มากมายมันก็เลยพูดจาก็ออกมาทํานูน่นทํานี่ไปตามเรื่องตามราวการดําเนินชีวิตไปมันก็นี่แหละแทนที่จะเป็นไปเพื่อให้รู้ความจริงมันก็ไม่เอาเพราะว่ามันไม่ลึกซึ้งเข้ามาข้างในเพราะนั้นต้องสํารวมนี่เราเดินทางมาตามผู้เฒ่ามาเนี่ยที่ว่าจะเดินตามผู้เจ้าก็เดินตามามาัธยมเราจึงเดินจงกรมแปดรอบความเพียรชอบก็นี่แหละความเพียรชอบเอาจิตเรากลับเข้ามามีสติรักษาจิตเพื่อให้จิตรู้ความจริงนี่ สัมมาสตินี่จิตจะตื่นสติเบื้องต้นก็คือพยายามรู้อารมณ์อะไรพยายามให้จิตเรารู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี่คือสติเบื้องต้นเพื่อคุมจิตให้ได้ซะก่อนแต่ถ้ามันคุมได้แล้วเนี่ยตัวสติมันทําให้จิตตื่นต้องตื่นถ้าใครจิตตอนนี้มันตื่นอยู่รู้สึกอยู่ภายในนี่แหละคือตัวสติมันมีกําลังจิตแน่วแน่อ ย, อยู่ไม่สัดสายฟังก็ฟังตั้งใจฟังเอาจิตเราฟังอยู่ นี่เป็นสัมมาสมาธิตั้งมั่นด้วยเป็นกลางด้วยไม่ยินดีไม่ยินไายด้วยถ้ามันเห็นความจริงไปด้วยฟังแล้วมันซึมเข้าไปในจิตพอบอกว่ากายไม่ใช่ของเราจิตมันมันสัมผัสได้มันรู้สึกได้โอ้ร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตเราเป็นอันหนึ่งร่างกายมันอยู่นิ่งๆเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่เห็นเป็นเราเป็นของเราได้เลยหรือมันวางเฉยร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกมันก็เป็นเรื่องระบบของร่างกายไป หัวใจเต้นทุบๆ ต, ตับๆมีนู่นมีนี่เรื่องร่างกายไปมันจะบีบคั้นบ้างแน่นบ้างอึดอัดบ้างเรื่องร่างกายไปจิตเราปกติอยู่มีแสดงว่าจิตของเรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายเนี่ยเออมันเป็นธรรมชาติของมัน่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปทุกข์กับมันมันจะแน่นๆ่นอึดอัดขึ้นมาเอาก็เรื่องร่างกายไปมันจะเจ็บมันจะปวดจะบีบจะคั้นก็ร่างกายยิ่งดีมันเห็นชัดเจนเราได้เห็นชัดเจนได้ฝึกจิตเราบอกโอ้ยมันเจ็บมันปวดขึ้นมาเนี่ยโอ้เห็นชัดเลยเนี่ย ร่างกายเป็นอย่างนี้เองถ้ามีร่างกายอยู่มันต้องมีเจ็บมีปวดมันก็มีเวทนาของมันจิตอย่าไปยึดจิตอย่าไปหลงอย่าไปเอาเข้ามาวิจิตยิ่มีกําลังที่นี่เพราะมันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งมันบูบว่าอะไรเข้ามาก็ตามแน่นอุนอดาดขึ้นมาก็ตามแน่นตรงนั้นตรงนี้เอาร่างกายร่างกายหรือมันชัดเจนไม่ชัดเจนกับเรื่องของมันเรื่องของมันนี่แหละร่างกายมันก็มีระบบประสาทสมองบางที้มันก็เกี่ยวกับโรคภัยไ ข, ขย้เจ็บเกี่ยวกับเลือดลมภายในตัวเราเอง แต่จิตของเราต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตต้องไม่กลัวไม่กังวลไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดนี่คือทางหูเจ้าเป็นอย่างนี้คือการเดินตามทางของจิตเดินทางจิตคือไม่ให้จิตเราหลงยินดียินร้ายไม่ให้จิตเรากลัวกังวลหวั่นไหวไม่ให้จิตเราเอาเรื่องราวอะไรทั้งหลายในโลกมาเป็นทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่เป็นทุกข์ท่านเลิศท่านประเสริฐท่านตัดสูก่อนเพื่อนเนี่ยก็คือนี่แหละท่านไม่เอาเรื่องราวอะไรในโลกมาทำให้ตัวเอเป็นทุกข์เด็ดขาด ก็คือรู้ความจริงเด็ดขาดแล้วตัวตนไม่มีเราไม่มีแล้วอะไรมันจะมาเป็นทุกข์สภาวะทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเรามีร่างกายก็ต้องมีเจ็บมีป่วยมีไข้แต่จิตเป็นนามธรรมานี่กลายเป็นทุกข์ก็ถ้าจิตมันรู้มันก็แล้วไปสิมันก็ไม่เห็นเป็นไรกับเรื่องร่างกายคนมีร่างกายไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเพราะดินน้ำลมไฟมันก็เป็นธรรมชาติของมันแต่ถ้าจิตเรามันไปมีอุปทานยึดว่าเป็นเราขึ้นมาปับ๊บเราแย่แล้ว นีเริ่มทุกข์ขึ้นมาแล้วเราเจ็บเราปวดมันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้เริ่มปรุงแต่งขึ้นมาในจิตสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาขึ้นในจิตของตัวเองก็เหมือนกับเอาทุกข์มาทับถมจิตตัวเองที่แรกทุกข์ไม่มีอ่ะแต่ไปเอาทุกข์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมาทับถมจิตตัวเองให้เป็นทุกข์ก็คือเหมือนกับเราสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นให้เป็นทุกข์เนี่ยมันจริงเหมือนกับว่าเราโง่จริงๆหลงจริงๆทุกข์มากมากจึงเรียกว่าบุรลมะโง่ ทุกแล้วทุกอีกร้องให้ขําควรว่าโง่บัดซบไปเลยเงี่ยมติดอย่างนี้มันก็เลยสมควรที่จะยอมรับว่าเราโงูถ้าเรามาที่นี่ก็ต้องถาทางให้ตัวเองหายโง่นี่จริงว่าสัมมาวายามะเพียรชอบก็เพียรที่จะมีสติมีสัมปชัญญะรักษาจิตเราให้ตั้งมัน่นรู้ความจริงขึ้นมาสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เพื่ออะไรให้รู้ความจริงนั่นเองสุดท้ายต้องสัมมาทิฏฐิรู้ความจริงแล้วจึงจะปล่อยวาง เพราะนั้นสั ม, สมาทิฏฐิเบื้องต้นแล้วก็เบื้องปลายด้วยสรุปด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยก็คือรู้ความจริงสูงสุดเลยทีนีงเพราะฉนั้นปัญญาเป็นสิ่งสูงสุดพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ปัญุตรระปัญญานี้เป็นสิ่งสูงสุดเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้านี่รู้ความจริงสูงสุดก็คือรู้ว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายก็ดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติเป็นของเกิดเพื่อจะแตกดับสลายไปจิตใจก็เป็นแค่นามมาทํา ถ้ายังมีเหตุมีเหตุก็คือมีอวิชชามีความหลงผิดไม่รู้ความจริงมันก็จะสร้างเรื่องสร้างราวปรุงแต่งขึ้นมาในจิตเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยขึ้นมาในจิตแล้วก็พาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดถ้ารู้ความจริงมันก็หยุดหยุดเลยไม่เอาอะไรมาปรุงมาแต่งขึ้นในจิตอีกดับเลยดับเลยแค่เรามาที่นี่เอาเราส้ำรวมจิตเราดับเรื่องข้างนอกหมดเลย เหมือนกับว่าหุ้ยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในที่ประสูตย์ของพระเจ้าแล้วเรื่องอะไรเราจะเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาทิ้งได้เลยปล่อยเลยมันแว บ, บไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ช่างมันช่างมันมันแว บ, บไปเองเราไม่ได้ตั้งใจอยากคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งไม่เป็นไรเรารู้ทันแล้วที่นี่แวบบไปรู้ทันแล้วเมื่อก่อนนี้เรารู้ไม่ทันพรมันแว บ, บไปทางไหนก็อ๋อกว่าจะรู้สึกตัวตั้งนานเอายังดีถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่มันดับก็ยังดีหมายว่ามันเล่นงานเราได้น้อยลงไป นี้เราก็พยายามเดินตามพระเจ้าให้มากขึ้นมีสติรักษาจิตจงกระทั่งจิตเรามันมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นความจริงแล้ ว, ลวความรู้ที่เราศึกษาคําสอนพระเจ้าล่ะอันนั้นเป็นสมาธิเบื้องต้นที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนมาเออขันห้าไม่มีอะไรเลยเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเรายังไม่เห็นแต่เราเชื่อตามอันนี้เราขั้นความเชื่อเกิดแล้วก็ต้องตายอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นอะไร นี่เราเชื่อตามพุทธเจ้าเราพยายามทำตามเชื่อตามพยายามทำตามโอ้ขันห้าไม่มีอะไรเป็นของเราเราเป็นแค่ขันห้าทำงานแต่ว่ามันไม่ลึกซึง้งเพราะเราแค่เชื่อตามเฉยๆให้เชื่อเรื่องกรรมผลของกรรมเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเรามันดีการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้จิตของเราพัฒนาขึ้นเพื่อให้สติเรามันควบคุมจิตได้เป็นสมาธิให้จิตเรามีสติปัญญาง่ายขึ้นรู้ความจริงได้เร็วขึ้นปด ปล่อยจิตใจตัวเองให้เป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาวันนี้เรามีอุดมการณ์ละว่าจะปฏิบัติตามพระเจ้าแน่นอนเกิดชาติไหนก็ตามถ้ายังไม่บรรลุธรรมชาตินี้ยังไม่พ้นทุกชาตินี้เราก็จะเตืนตามพระเจ้าไปจนกว่าจะพ้นจากทุกในวัฏสงสารเรียกว่าเรามีอุดมการ์เดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าทรงมีมาตลอดที่พระ อ, องค์ทรงสร้างบรารมีเพราะเวลาพระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วจึงประทานคําสอนเอาไว้ เพื่อให้สาวกของพระองค์หรือเวเนยสัตว์ทั้งหลายได้รู้เส้นทางอันนี้ถ้าใครรู้เส้นทางอันนี้ก็มีความหวังแล้วว่าสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจะต้องมีทางออกแล้วจะต้องพ้นออกไปละพระองค์พูดถึงวัฏสงสารนี่น่ากลัวมากเลยไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเลยพวกจเจ้าตัดเอาไว้นี่พูดกับพระเลยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเนี่ยวัฏสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลาย เริ่มต้นที่ไหนไม่รู้เลยแล้วสิ้นสุดที่ไหนไม่รู้แค่เห็นกันเห็นกันครั้งเดียวแค่เรามาด้วยกันอย่างนี้นะถ้าเป็นพระเจ้าก็จะบอกเลยว่าเนี่ยที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่มีที่ไม่เคยเป็นสามีพัญญากันไม่มีที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีไม่เคยเป็นคนที่รักใครชอบพอกันหรือเป็นศัตรูกันไม่มีเลยเคยทั้งรักใคร่พอใจกันเคยบันทอนซึ่งกันอะไกันมาหมดเลยแม้สัตว์ตัวหนึ่งผ่านเข้ามา ก็ต้องสารนิษฐานได้ว่าสัตว์ตัวนี้ต้องเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นเต่าอะไรอย่างงี้หมดเลยเพราะฉะนั้นในสังสารวัตอันนี้เราไปไหนมาไหนเนี่ยเราจึงเหมือนกับเราพบญาติเราพบพี่น้องของเราบางครั้งถ้าหาว่าเออพบชาติมันใกล้เราเคยช่วยเหลือจุนเจียกันมามากหน่อยมันจะคุ้นเคยทันทีเลยมันจะคุ้นเคยมาก ถ้าเคยบันทอนกันเอาไว้อะไรอย่างนี้มันก็จะมีบ้างที่มันตึบตั๊บเข้ามาแต่ว่าไม่เคยช่วยเหลือจุนเจียกันก็ไม่มีอีกเนี่ยมันมีทั้งเคยช่วยเหลือจุนเจียเคยบันทอนกันก็มีหมดอ่ะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จิตเราก็จะวางใจเป็นกลางไม่เอาเรื่องอะไรเข้ามารบกวนจิตใจตัวเองวันนี้ให้เราสำรวจจิตเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยก ว, ว่าถ้าใครมาวันนี้นะแล้วก็มาเกิดทางจิตใจเกิดอุดมคติ รู้ว่าชีวิตของตัวเองนี้จะต้องมีทางออกแล้วแทนที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วก็ยึดนั่นติดนั่นค้องนี่อยู่พอแล้วพอแล้วคนที่มาเกิดเป็นลูกเป็นพอ่อเป็นแม่ก็แค่เนี่ยกรรมมันประมวลเข้ามาในชาตินี้ว่าต้องมาเกิดร่วมกันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ให้ยดึดให้หลงนะให้เข้าใจให้เข้าใจว่านี่แหละกรรมมันประมวลมาเฉยๆนะจากนั้นชาตินี้มาพบกันแล้วชาติต่อไปไม่แน่แล้วที่นี่ ชาติต่อไปไม่แน่แล้วถ้าใครทำกรรมดีก็ไปดีและทีนี่ทำกรรมไม่ดีก็ไปไม่ดีล่ะถึงจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันก็ตามสามีพัญยากันก็ตามอะ่ะมันก็แค่กรรมประมวลเข้ามาว่าต้องมาพบกันในชาตินี้เท่านั้นเองจากนั้นไปไม่แน่แล้วมันไม่ได้มีอะไรที่จะมาหลงมาควรยึดมั่นถือมั่นมันต้องมาชวนกันหาทางออกมันยิ่งใหญ่ถูกต้องโอดีแล้วเราม า, ม า, มาอยู่ด้วยกันก็จะได้หาทางออกร่วมกัน มาเดินตามทางของพระเจ้าด้วยกันเดินตามเส้นทางที่ประเสริฐสูงสุดคือทางแห่งอริยมรรคอันนี้ถ้าอย่างนี้ชีวิตประเสริฐขึ้นทันดีเลยนะแต่ถ้าพากันลุ่มพากันหลงมัวเมากันไปอย่างนี้โอ้โหนี่มันเสียดายเวลามากเลยนะไม่รู้เมื่อไหร่ที่เราจะพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอีกถ้าเกิดชาติไหนต่อไปเราไม่ได้เกิดในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานะเกิดหลงไปทําผิดเนี่ยเพราะมันมีคําสอนเราไม่รู้อะ ยังไปเกิดในประเทศที่มันไม่มีคําสอนของพรุทธเจ้าเนี่ยลุ่มหลงไปมัวเมาไปโ อ, โโอ้โหเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนานมากเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยเรานี่โชคดีอ่ะชาติเนี้ยเรามาเกิดแล้วเราก็ดูซี่เนี่ยได้เดินตามพระพุทธเจ้ามาแล้วก็รู้ด้วยว่าเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าจึงทุ่มเทพวงลรกายของพระองค์ตลอดชนชีพของพระองค์เพื่อเผยแผ่คําสอนก็ว่าเห็นคุณเห็นประโยชน์นี่ย เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดตายเกิดตายแล้วก็มีแต่ความรุ่มหลงสร้างเรื่องสร้างราวสร้างอะไรต่ออะไรให้ตัวเองมีความทุกข์เดือดร้อนสังคมเขาก็หลงไปหลงไปแล้วก็บีบคั้นเราเราไม่ทำตามเราก็ทุกข์เดือดร้อนเนี่ยดูสิมันก็หลงไปด้วยกันอ่ะมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่อยากทำเราก็ไปทำเนี่ยมันบีบคั้นเราได้มากขนาดนั้นอิทธิพลของความหลงเรืออวิชชาเนี่ย มันไม่ได่ง่ายเลยที่ละคนหนึ่งเนี่ยจะมีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะออกจากทุกข์เพราะเราจึงต้องยอมรับในพระพุทธเจ้าที่พระงค์สละชีวิตของพระองค์เพื่อออกจากทุกข์ก่อนที่พระองค์จะได้รับพยากรขนาดสละชีวิตเลยรู้เลยว่าตัวเองจะบรรลุธรรมได้เป็นพระาราหันได้พ้นทุกข์ได้ไม่เอาอ่ะตั้งความปรารถนาเลยว่าเราเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าจะลืสัตวิ์ขนสัตว์จะประทานคําสอนให้เวนัยสัตว์ออกจากทุกข์ตามให้ได้ ท่านจึงได้รับพยากรณว่านี่ต่อไปมนุษย์ผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนี้ไปพระพุทธเจ้า24พระองค์ได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าชื่อโคตมะเป็นปัญญาธิ่กะสัมมาสัมพมุทธเจ้ามีอักษรวกเบื้องขวาชื่อสารีบุตรมีอักสรวกเบื้องซ้ายชื่อมหาโมคลันนะเป็นผู้ที่มีอนุภาพมากเพราะฉะนั้นเรามาแล้วเราก็ต้องนี่แหละพยากร์ตัวเองเลยว่านี่ เราจะเดินตามพระพุทธเจ้าไปจะเดินตามพระพุทธเจ้าไปชาตินี้ได้มากได้น้อยแค่ไหนเราจะเดินตามสุดกำลังของเรานี่แหละชาติต่อไปก็ยังมีอีกชาติต่อต่อไปอีกอย่าว่าเกิดชาติไหนก็ตามให้มันได้เดินตามพระพุทธเจ้าไปแล้วการได้เดินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันเจริญนะเป็นทางแห่งความเจริญถ้าใครเดินตามพระพุทธเจ้าจริงๆอย่างจางมันจะเจริญขึ้นเรื่อยๆเลยไม่มีเสื่อมถ้าใครหันหลังให้ทางพระพุทธเจ้าเสื่อมนี่อัศจรรย์มากเลยนะ เอาสำมวมจิตใจนะสุดท้ายแล้วเดียวเราเราจะได้มาสถานที่เราก็อศัยสถานที่นะเราเคยหลงผิดเคยทำผิดทำบาป ท, ทำกรรมอะไรมาเราก็จะได้ล้างกรรมล้างเวรของเราออกไปให้หมดให้สิ้นนะจะได้ไม่มีอุปสรรคในการปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำรวมใจดีๆแล้วก็เอาเข้ามาข้างในบูชาพระเจ้าด้วยการทำตามที่พระเจ้าทรงตัดสั้ ผู้เจ้าตัสรู้คือเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรานั่นเองนี่ความรู้แจ้งที่หมดอาสวะก็คือมันหมดตัวตนเราก็าจิตเราเข้ามาอย่างร่างกายนี่มันตายอยู่แล้วอะของตายอ่ะมันจะตายอยู่แล้วยิ่งอายุเรามากมากขนาดเนี้ยมาอินเดียก็โอ้โหบางทีมันก็ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็ทนลําบากหมาไหมเนี่ยร่างกายมันไม่ได้ดั่งใจเรานะเราอยากใช้มันให้เกิดประโยชน์อ่ะ แกจิตใจของเราแต่มันก็ไม่ทําตามเราทั้งหมดอ่ะมันเชื่อฟังบ้างแต่ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะนี่แสดงว่าเราบังคับบัญชามันไม่ได้หรอกมันจึงไม่ใช่ของเราจริงไม่ใช่ตัวเราจริงเป็นของเราชั่วคราวนี่เราทําความเข้าใจแล้วก็วางมันเอาไว้แต่ทีนี้จิตมันก็อาศัยกายอยู่ทีนี้ทิ้งก็ไม่ได้จะเอามาเป็นของเราก็ไม่ได้ก็เลยต้องมาวางใจให้เป็นกลางๆ ก, ก็อยู่กันไปแบบนี้แหละแบบไม่ต้องทุกข์กับมันอ่ะ แบบรู้มันน่ะรู้มันอะ่ะว่าโอ้มีร่างกายต้องเป็นอย่างนี้แหละตื่นเช้ามาก็ต้องให้อาหารมันน่ะต้องดูแลมันน่ะต้องเข้าห้องน้ำห้องส้วมไปนี่เป็นภาระพูกนี้ง่ายเพราจิตถ้ามันมีความรู้แล้วมันเห็ น, ม อ, หนมองเห็นร่างกายเป็นภาระไปเลยพราะจิตแยกออกมาแล้วเป็นอิสระแล้วเนี่ยด้านจิตใจมันก็นึกคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางอะไพวกนี้ก็เป็นนมามธรรมเกิดแล้วก็ดับอาศัยสัญญาที่เราเคยหลงผิดนี่นะ เราหลงว่ามีตัวเราก็อยากให้ได้อย่างนั้นได้อันนี้มันก็ไปจดไปจํานึกขึ้นมาเนี่ยเราอยากเอานั่นเราอยากเอานี่อยากได้นั่นอยากในนี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตัวสัญญานี่แหละเอามาแล้วก็มาให้สังขารก็ปรุงต่อไปสัญญาขันสังขารละขันก็มาจากอนานาจของความหลงนั่นแหละก็วิเบธนาขันหมุนอยู่เนี่ยวิญญาณขัน อาศัยรูปปัะขันนี่ก็คือขันห้านั่นเองชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่กระแสความเกิดความดับเพราะฉะนั้นบูชาพูะเจ้าก็คือไม่มีเรามองดูร่างกายให้รู้ว่ามันเป็นของที่มันเกิดดับไปตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ต้องแตกดับสลายไปของต้องตายไปนามาทำก็แค่เกิดดับไปตามเรื่องตามราวของมันพอรู้ทันมันก็ดับรู้ทันมันก็ดับมันก็ได้มีอะไรเป็นของเราจริง พอจิตใจมันเป็นนามมาทำแต่มันนึกคิดปรุงแต่งได้มันรู้อารมณ์ได้นึกคิดปรุงแต่งได้เฉยๆมองกายมองใจให้เป็นธรรมชาติวางเป็นกลางกลางให้จิตเราเป็นกลางนี่บูชาสูงสุดเลยนี่เรียกปฏิบัติบูชาแล่ะ่วันนี้พอแค่นี้นะพอเราจะได้เดินทางต่อไปอีก